แ be ง่คิดจากหนังเรื่องแฮนคอปดีใดไม่มีโทษโดยโลนินบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเสียอรรถในการชมภาพยนตร์ ดีใดไม่มีโทษดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้นนเนนนี่เป็นคำสอนที่อาเคยผมได้รับสมัยบวชเป็นเนนน้อยเมื่อราวหกสิบปีก่อนจากพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งซึ่งหากบอกนามไปพุทธศาสนิ ก, กชนทั่วไปคงรู้จักน่าแปลกที่ผมได้ดูหนังฝรั่งเรื่องนี้แล้วกลับคิดถึงคำสอนของท่านขึ้นมาฮีโร่อย่างแฮนด์อ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 เขาก็รู้สึกพึงพอใจลงรักแมรี่ภรรยาของเรย์ยังไม่มีเหตุผลและแมรี่ก็มีความลับบางอย่างที่ปิดบังเขากับเรไว้เช่นกันทั้งแมรี่และแฮนค็อกต่างก็เป็นมนุษย์พันพิเศษด้วยกันทั้งคู่มีความเป็นอมตะเรียวแรงพลังเหนือมนุษย์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 ว่างานบุญงานกุศลต่างๆความดีหลากหลายที่พวกเราบำเพ็ญกันมีสิ่งใดเป็นโทษติดปลายมาบ้างเมื่อมีศรัทธาทมความดีแล้วต้องมีสติปัญญากํากับติดตามมาด้วยกุศล น, นั้นต้องเป็นสุขตั้งแต่ก่อนกระทาระหว่างกระทำและหลังจากกระทาแล้วถึงจะสมบูรณ์พร้อมสวนเจ้าแหนคอกนั้น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 h l d love you. Hancock's latest so-called will be better.